เมื่อต้นปีนะมีคำพยากรณ์มากมายเมื่อเมษาน้ำจะท่วมภาคกลางกรุงเทพแต่มันก็เลื่อนมาพฤษภายังไม่ท่วมซะ ท, ทีพวกเราอย่าคีดลืมไื่งั้นเราจะตื่นข่าวไว้เรื่อยเลยโดนเขาก็บอกเมื่อนั้นเมื่อ น, นีนะ้ให้เรากลุ้มใจธรรมดาก็กลุ้มอยู่แล้ว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 เคยเจอหมาเห่าส่งเด่นไหมหเหาไปเรื่อยๆนะเนี่ยพวกหมามุสา่าหมามุสาอย่างนี้ก็คือหมาพูดมากหมาพูดวันนี้พูดเรื่องหมานะไม่ได้พูดเรื่องโยม <c oughs> บอกหมาตัวนี้มีศีไม่พูดเพิรเจอร์ไม่เห่าเพิรเจอร์นะมีสีหมาตัวนี้ไม่เคยกินเหล้าเพราะไม่มีใครให้กินให้จะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่เคยกินอย่างน้อยมีสีสีข้อแล้วข้อสามประพฤติผิดในกามหรือเปล่านี่ไม่รู้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 เวทนาทางใจไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาทางร่างกายไม่ใช่ใจนะเป็นอีกสิ่งหนึง่งพอเวทนาเกิดขึ้นมายังมีความสุขเกิดมากๆราคาก็แทรกราคาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตนะราคาก็เรียกสังขารขันอยู่ในสังขารขันเวลาความทุกขวเวทนาเกิดขึ้นโทสะก็แทรก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 เหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนคูหานะเป็นเปลือกที่มีจิตอาศัยอยู่ภายในนะกลวงกลวงใครเคยเห็นร่างกายกลวงกลวงบ้างมีไหมยกมือซีครับมือหนึ่งนี่เยอะแยะเลยนะใครเคยเห็นกระเป๋ากลวงกลวงบ้างนี่ยิงย่งเยอะกว่าเก่าอีกนะในยุคนี้นะ่ยากจนยากจนกันทั่วหน้านะมีสตินะมีสติ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 สมัยพุทธกาลท่านก็ให้พระอนุนไปรดน้ำมนต์ก็มีลดนะน้ำมนต์มันเป็นเรื่องพลังงานนะพลังงานของจิตเดี๋ยวนี้เขาถ่ายออ ร, ร่าได้ด้วยน้ำมนต์อะเอาน้ําธรรมดากับน้ำมนต์ไปถ่ายออ ร, ร่านะแสงไม่เหมือนกันนะแล้วน้ํามนต์ที่คุณภาพสูงกับน้ํามนต์คุณภาพต่ำนะํำแสงก็ไม่เท่ากันนะเป็นเรื่องของพลังงานซื่งวัดได้แล้วเดี๋ยวนี้เริ่มวัดได้แล้ว ต่อไปเราคงมีพลังงานของจิตนะถ้าพวกเราฝึกให้ดีเราเรียงโมเลกุลคือเรียงจิตเราแต่ละดวงให้เรียงเป็นระเบียบนะจิตเรามีพลังต่อไปเราอาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยลงเอา้าอย่าหัวเราะนะเรื่องจริงนะพระวัดหลวงพ่อใช้ไฟฟ้าน้อยนะว่ามีสติกุฏิมืดๆก็ไม่เดินชนอะไรนไม่ต้องใช้อะไรมากยกเว้นจะอ่านหนังสืออะไรค่อยเปิดเดินในกุฏิไม่เคยชนอะไรหรอกนะ เนี่ยจิตเรามีพลังงานมากนะมันเรียงตัวดีอย่างพวกเราอยู่บ้านเนี่ยเคยไม่เดินเตะน้อนเตะนี่ ท, ท, ทั้งที่เปิดไฟเปิดทำไมเ ส, เสียเงินเปล่ า, เ ป, ลาเปิดแล้วก็ยังเดินเตะน้อนเตะนี่อยู่ดีแหละเพราะจิตเราไม่มีพลังเลยจิตไม่เรียงตัวให้เรียบร้อยนั้นเรามาฝึกปฏิบัตินะะการใช้ชีวิตทางโลกก็จะมีความสุขความสบายขึ้นนะการปฏิบัติธรรมก็จะทาให้ชีวิตเรามีความสุข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 นิมนมเลยครับนิมหม